บทภาชณีติกะปาจิตตีหนึร้อยชักชวนกันแล้วภิกษุสาคัญว่าชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันโดยที่สุดแม้ชั่วระยะหมู่บ้านหนึ่งนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีชักชวนกันแล้วภิกษุไม่แน่ใจเดินทางไกลด้วยกันโดยที่สุดแม้ชั่วระยะหมู่บ้านหนึ่งนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีชักชวนกันแล้วภิกษุสาคัญว่าไม่ได้ชักชวน เดินทางไกลด้วยกันโดยที่สุดแม้ชั่วระยะหมู่บ้านหนึ่งนอกสมัยต้องอบัตปาจิตตีติกะทุกกดภิกษุชักชวนภิกษุณีไม่ได้ชักชวนต้องอบัตทุปกดไม่ได้ชักชวนภิกษุสําคัญว่าชักชวนต้องอบัตทุปกดไม่ได้ชักชวนภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุปกดไม่ได้ชักชวนภิกษุสําคัญว่าไม่ได้ชักชวนไม่ต้องอบัต